คสอนของเราการรับรู้คือจิตเจตสิกนี้ต้องอาศัยอะไรประชมกันอาศัยจากโขกับรูปจิตเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเั้นจิตเจตสิกไม่ได้เกิดรอจิตเห็นไม่ได้เกิดรอก่อนนะเอา้าค่อยมีตาค่อยมีสีแล้วการเห็นยังเกิดขึ้นไม่ใช่อาศัยตากับสีการเห็นจึงเกิดขึ้นอาศัยหูกับเสียงการได้ยินจึงเกิดขึ้นอาศัยจมูกกับกลิ่น การรู้กลิ่นจึงเกิดขึ้นอาศัยลิ้นกับรถการรู้รสจึงเกิดขึ้นอาศัยกายกับโภพาะการรู้โภพาะจึงเกิดขึ้นอาศัยภวังกับอารมณ์ทั่วๆไปเนี่ยทําให้เกิดความคิดขึ้นเพราะได้ปัจจัยอะนะสังขารทั้งหลายจึงจึงเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวใดตัวหนึ่งที่ไปเกิดรอนะที่เรียกว่าเป็นอัตตาแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าอัตตาแบบชีวะเนี่ยของเขาหนึ่งนิยามของเขาคือเที่ยงยังไงก็อย่างนั้นที่สอง เป็นความสุขเนี่ยนะเป็นสุขดังั้นเขาถือว่ามันเที่ยงมันสุกนั่นแหละเขาจึงสําคัญสิ่งนั้นว่าเป็นอัตตาทีนี้ของเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงไหมล่ะถ้าถือว่าเที่ยงมันก็จะเข้าเกณฑ์อันนี้เหมือนกันนะถ้าถือว่าเที่ยงอนนันเป็นเครื่องวัดว่าทิฏฐิอัตตามีหรือไม่นะสังเกตจากนี้นี่แหละสุดยอดของความสุขละเอออันนั้นแหะกลุ่มชีวะกลุ่มอัตตาไม่งั้นหรือนี่ความเที่ยงพวกนี้เป็นอัตตา ถ้าไม่เข้าใจผิดแบบนั้นมันดีแล้วเพราะถึงเข้าใจอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นความเพี้ยนอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นความวิ ป, ปลาสทีนี้ไอ้ตัวทิฐิเนี่ยนะถ้าเขาถือโดยสกายะเนี่ยนะก็จะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาบ้างเป็นโลกบ้างแล้วก็มาคิดต่อไปเอ้ยมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอัตตาก่อนนะถ้าคิดต่อว่ามันเที่ยงอันนั้นเป็น ก็ก็สากายะนั่นแหละที่มันเลยไปเป็นสัตตะถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงถ้าคิดสิ่งเหล่านี้ศูนย์ตายแล้วก็จบกันคือคือสำคัญว่าหยุด อ, อยู่เท่านี้โลกเนี่ยตายแล้วจบเลยอันนี้เป็นอุเฉดหรือหรือสลับกันเป็นครั้งคราวเที่ยงเป็นบางอย่างศูนย์เป็นบางอย่าง บางครั้งคิดว่ามันเที่ยงบางครั้งคิดว่ามันศูนย์อันนี้ก็สัตตะเพราะทิฏฐิพวกนี้มันดิ้นรนจริงอ่ะมันกลับกรอกนะเดี๋ยวมันคิดว่าเที่ยงบ้างเดี๋ยวมันคิดว่าศูนย์บ้างเอาแน่กับมันไม่ได้หรอกทีนี้เมื่อเกิดทิฏฐิแบบนี้ขึ้นแล้วมันจะเรื่องเรื่องติดตามมาคือคิดเรื่องอดีตอย่างหนึ่งเอาเรื่องอดีตมาคิดอย่างที่สองเอาเรื่องอนาคตเนี่ยมาคิดเช่นว่าอดีตนี่เราเคยมีหรือหนอ นะถ้าสำคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตาก่อนนะเป็นเราหรือเป็นอัตาก่อนเออดีตนี่เรามีหรือหนอตกลงมีหรือไม่มีอดีตเรามีหรือไม่มีจะเสียค น, นงานนี่แหละคือเราอ่ะตรงนี้อะไรเป็นเราอ่ะใช่ไมตรงนี้นะจริงจริงอ่ะถามเส้นถามว่าขณะนี้อะไรเป็นเราก่อน ถ้าเราตอนนี้ยังหาไม่เจอแล้วอดีตจะไปหาเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกเป็นคำถามที่ที่อยู่บนพื้นฐานของอโยนิสโสมนศสิการเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอดีตการเนี่ยเรามีหรือหนอคือคือเป็นความเข้าใจผิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพราะคำว่าเราจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นเราหรนะคือถ้าบอกว่าอะไรเป็นเราแล้วค่อยมาคิดว่าค่อยๆว่าเราที่เป็นอดีตนะเราตอนนี้มันก็ยังไม่มีเลยอะ่ะ ตาใช่ไหมเป็นเราเออถ้าตาเป็นเราแนละ้วเอออดีตมีตาหรือเปล่าเออค่อยว่าเรานี่มีใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังไม่มีแล้วอะอดีตเราจะมีได้ยังไงคือวิจิกิจช้าเนี่ยจะเข้ามาและสิบหจะเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะเพราะตัวส ก, กายะ ท, ท, ที่จะคิดว่าอดีตเรามีหรือหนออันนี้ถ้าถ้าไปลงว่ามีสัตตะหรือเราไม่มีเข้าอุเฉตหรือเรามีเออเรามีเนี่ยนะ เรามีแบบไหนเราตอนนั้นเราเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์หรือเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรเนี่ยนะมันจะคิดต่อไปงั้นอีกเอ๊ะมันเป็นพราหมณ์มันเป็นแพทย์มันเป็นสูตรแล้วมันไปต่อด้วยเป็นอะไรอีกแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันจึงมาเป็นอะไรเนี่ยนะพวกนี้เป็นวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาห้าข้อจะเข้ามาวิธีคิดง่ายๆก็คือหนึ่งเรามีหรือเราไม่มีถ้าเรามีเป็นสัตตะถ้าเราไม่มีเป็นอุเฉตเอ๊ะเรามีแล้วเรามีแบบไหน มีแบบสูงดำตำเขาผิวเป็นยังไงนะอันนั้นอย่างที่ต่อไปนะแล้วเขาคิดต่อไปว่าเรามีแล้วเราเป็นอะไรเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเออเราเราเป็นจากนั้นแล้วมันไปเป็นอะไรต่อไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าอย่าไปคิดตามเผมมาเคยไปอ่านบทนี่นะที่จริงอ่ะคนคิดแบบเนี้มันมีแต่เขาไม่ได้ให้เราไปคิดตามหรอกนี้เราก็ไปคิดตามซะหรุปว่าเรามีหรือเราไม่มีกันแน่เนะงงอยู่ตั้งหลายปีนะ อ่านใบอ่านมาเอ๊ะเรามีหรือเราไม่มีกันแน่อดีตเรามีหรือเราไม่มีเพราะว่าไปเมื่อไหร่มันก็เป็นที่ถีว่าเมื่อไหร่เอ๊ะที่ถูกมันเป็นยังไงเหมือนกันเถอะก็คือก็เกิดจากการไม่แยกแยะถ้าเมื่อมีการแยกแยะอย่างนี้เข้าเป็นอายตนาภายในอายตนาภายนอกอาศาอัยอายตนาภายในอายตนาภายนอกทําให้เกิดความคิดขึ้นความคิดเหล่านั้นเนี่ย มันเกิดจากอายนิโมสมนัิการมันก็เป็นสังโยชน์เป็นสากายะที่ที่สำคัญด้วยอัตราเข้าแล้วมันก็สาวไปหาอาดีตว่าเรามีหรือเราไม่มีจริงก็เป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองทีนี้อนาคตเรามีหรือเราไม่มีจาเนนิอนาคตอันยาวต่อไปเนี่ยนะเราจะมีหรือเราไม่มีอดีตไม่ใช่แล้วอนาคตมันไม่ตอบนะ เก็บภูมิเก็บการ ม, มาวจรภูมิรูปาวจรนรูปาวจร <c oughs> ไม่ครูอนาคตต่อไปเราจะมีหรือเราไม่มีฮะเราไม่มีใช่ไห ม, มอ๋อคําว่าเราอ่ะไม่มีใช่ไหม <c oughs> เราอ่ะไม่มีอ๋อคือก็ปัจจุบันนี้อะไรมันเป็นเราล่ะแล้วอนาคตแล้วมันอะไรจะเป็นเราล่ะเนี่ยนะเพราะปัจจุบันนี้หาเราก็หายังไม่เจอ เพราะฉะนั้นไอคำว่าเรามันผิดแต่ว่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันมีการสามนะเอาว่าโดยเหตุผลนะถ้าข้าเข้าใจนะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงนะนะสมมติอันนี้เป็นปัจจุบันใช่ก่อนหน้านั้นก็เป็นอดีตถัดจากนั้นไปก็จะเป็นอนาคตคือปัจจุบันนี้ก็คือขันอายตนะที่ประชุมกันในอดีตก็คือขันอายตนะที่ ประชุมกันในอนาคตก็คือขันอายตนะที่ประชุมกันสิ่งเหล่านี้มันไหลไหลไปเช่นกระแสน้ำเนี่ยนะสังสารวัตรเนี่ยนะหรือมันเป็นทางไกลซึ่งจริงๆอะ่ะเป็นความประชุมของสังคตธรรมหรือความประชุมของสังคตธรรมเพราะฉะนั้นในอดีตก็คือสังคตาธรรมที่ถ้ามีปัจจัยก็ประชุมกันในอนาคตต่อไปสังคตธรรมเหล่านี้ถ้าได้ปัจจัยมันก็ ประชุมกันทีนี้ไอ้ความเพี้ยนไปสําคัญว่าสังคตะเหล่านี้เป็นเป็นเราหรือเป็นของเราเข้ามันก็เลยไปคิดว่าเราเนี่ยจะมีหรือเราไม่มีถ้าเรามีเป็นสัสตตถิฐิถ้าเราไม่มีเป็นอุเฉท ท, ทิฐิหรือเราถ้าหรือว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ น, นะสักเล่นลิ้นละพวกนี้ก็ดิ่นรนแบบปลาไหลบางอันอมาราวิเเค ป, ปะก็คือทิฐิแบบปลาเนี่ยนะปลาตาที่ไม่ตายนะปลาที่จับตรงไหนก็ลื่นหมดเลย หรือเรามีะนะสมมุติถ้าเราเป็นให้เราเป็นยังไงเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรแล้วเราเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปเป็นอะไรต่อไปอ น, นะพวกนี้คือวจิจะเป็นวิจิกิจฉานะแต่วิจิกิจฉาอันนั้นอยู่บนพื้นฐานของส ก, กายทิฏฐิแล้วทีนี้ต่อไปอีกว่าแล้วปัจจุบันล่ะปัจจุบันนี้เรามีหรือหนอหรือเราไม่มี ก็คนเนี่ยพอศึกษาบางพวกมันไปศึกษาว่าพวกนี้ไม่ใช่อัตตาใช่ไหมแล้วมันอัตตานี่มันอยู่ข้างในไปอีกลึกเว้าอีกนะก็มีรัที่สมัยใหม่เนี่ยนะก็ไม่ต้องโบราณสมัยนี้ก็ยังมีอันนี้มันไม่ใช่อัตตาหรอกอัตตามันแทรกอยู่ข้างในอีกทีนึงแล้วสงสัยว่าเอออัตตาของเรามันสูงมันดับมันต่ำมันเขาหรือมันเป็นยังไงกันแน่แล้วเออเรานี่มันเป็นยังไงเนี่ยนะก็เริ่มเอาเรื่องนี้มาคิด นะใหร้รู้ว่าความคิดเหล่านั้นเกิดจากอโยนิโสมนสิการเป็นสังโยนขณะที่คิดนะตัวความคิดอันนั้นเนี่ยเชื่อตามไม่ได้มันเหมือนกับเหมือนกับความฝันเท่านั้นเองอนะสิ่งที่เขาคิดกับความฝันเนี่ยเหมือนเหมือนกันทั้นเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้เพราะความคิดอันนั้นอยู่บนพื้นฐานของวิปลาสทีนี้พอเกิดความ เ, าเกิดความยึดถือว่าเป็นอัตาก็เกิดวิจิกิจชาขึ้นแล้วก็ ที่ติดตามมาคือข้อปฏิบัติสมุทาคิดว่าเรามีสมมติว่าอัตตาเนี่ยมีขึ้นพอคิดว่าอัตตาเนี่ยมีขึ้นก็จะเป็นที่มาของข้อปฏิบัติว่าจะทํำยังไงให้อัตตาของเรามันบริสุทธิ์จะล้างอัตตาให้มันสะอาดจะทํายังไง คือคือถ้าถ้ามีส ก, กายาทิฐิหรือว่าถ้ามันมีไอท้ที่เที่ยงอยู่นะทำยังไงเราจึงจะไปอยู่ในภาวะอมะตะอย่างนั้นได้เช่นว่า <S <S ไปสำคัญ <S <S ดินแดนแห่งหนึ่งที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มั่นคงอยู่ยาวเที่ยงดินแดนแห่งนั้นคือสวรรค์ก็าตามอะไรก็าตามที่เขาบัญญัติมามาสมัยใหม่นะดินแดนนั้นอะเรียกว่าดินแดนสุขขาวดีบ้าง อันนี้ก็เถือนพวกแล้วนะดินแดนแห่งพระนิพพานบ้างนะก็ก็เขาหาดินแดนอันนั้นอยู่ดินแดนที่มันอมตะพอหาดินแดนอันนั้นเข้าเป็นที่มาของข้อปฏิบัติือคือไปสำคัญณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่มันอมตะอย่างนี้แล้วก็เลยไปไปค้นหาว่าทำยังไงจึงจะไปอมตะแบบนั้นได้หรือไปคิดว่า ที่เรามาทุกข์กันอยู่นี้เพราะเรามีบาปเก่านะเขาบอกว่าถือว่านิ่คนนาตาบทเนี่ยเขาปฏิญาณว่าเขาเป็นสัพพันญูเดินก็รู้นั่งก็รู้วิญญาบทไหนรู้หมดรู้อดีตรู้ อ, อนาคตรู้หมดไม่มีส่วนเลือนเนี่ยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนมีบาปเก่ามามีบาปเก่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใช้บาปเก่าให้มันหมดแล้วไม่ทํากรรมใหม่นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ เออหลักการเขาก็เข้าทีดีเหมือนกันเขาบอกเอาใหม่นะเขาบอกว่าของเราเนี่ยเป ค, คนมีบาปกันเมื่อมีบาปเก่าเนี่ยทีนี้เราก็มาใช้บาปเก่าให้มันหมดเราก็อย่าไปทำบาปใหม่นะอย่าไปทำกรรมใหม่ด้วยประการชนนี้ความบริสุทธิ์จึงจะมีเขาแนะนำกันอย่างนี้นะเยทีนี้วิธีใช้บาปเขาทำยังไงบอกง่ายมากอาบน้าสิอนะันนี้ลัดที่หนึ่ง รัฐที่หนึ่งก็บอกว่าโคเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ลำบากใช่ไหมคุณก็ไปเรียนแบบโคซะทำตัวให้เหมือนโคเปี้ยเลยแล้วสุนัขเนี่ยมันเป็นสัตว์ตัยต่านะถ้าคุณทําตัวเรียนแบบสุนัขเนี่ยเป็นการใช้กรรมแล้วก็อย่าไปทํากรรมใหม่มันแล้วก็อย่างนี้แหละมันจะบริสุทธิ์ได้อันนี้รัฐที่เหล่านั้นนนั้นจะเข้ามาแล้วสมัยพุทธกาลก็มีสมัยใหม่ก็มีวันที่ไปล่องแม่น้ํำคงคาเนี่ยเขาอาบล้างอัตตากันเนี่ยคือศีลพตะตรามคต เห็นอาจารย์ละมณ์ก็อาบน้ํากันโอมแล้วก็ลงโครมไปไม่รู้สะอาดหรือเปล่า ก, ก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่เห็นเห็นก็อนอนเนี่ยเต็มไปหมดทีนี้ก็มีไอ้นางภาสีคนนึงชื่อปุณณะเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าลงไปอาบน้ําแล้วมันบริสุทธิ์ได้ปลาและเต่าที่อยู่ในนั้นมันบริสุทธิ์หมดแล้วเหมือนกันแต่เห็นนะว่านอนเนี่ยเยอะแยเยะไปหมดเลยมันน่าจะบริสุทธิ์นะถ้ามันจะอาดเพล้างน้ำมันนะเพราะมันอยู่ในน้ําตลอดเลย นี่ก็อันนี้อีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามันบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ที่อาบน้ําหรอกมันอยู่ที่การกินนะก็ถือความบริสุทธิ์ด้วยอาหารนะถ้ากินอาหารแบบนี้ตามตามเงื่อนไขที่เขากําหนดให้ถ้ากินแบบนี้บริสุทธิ์นี่คืออริยะละนะก็ถือความบริสุทธิ์ด้วยอาหารปัจเจกไม่ปัจเจกไม่รู้แหะแต่ว่าถ้ากินแบบนี้เป็นใช้ได้และก็ถือบริสุทธิ์ด้วยอาหารบางพวกก็ถือบริสุทธิ์ด้วยการนุ่งห่ม อันนี้มันต้องใช้เครื่องนุ่งโฮมเมดนี้มันจริงจะบริสุทธิ์บางพวกบอกไม่ใช่มันบริสุทธิ์ด้วยต้องยืนอย่างเดียวเดินอย่างเดียวที่รัฐญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งดูข้อความเล็กๆในหนังสือพิมพ์เมื่อไม่หลา ย, ลายปีก่อนมามีนิกายอยู่นิกายหนึ่งถือเดินจนตลอดชีวิตถ้าเดินตามอย่างนั้นแล้วจะเป็นพระโสดาบันตอนนี้น่าจะยังมีเดินอยู่ก็ถือถือแบบพระธุดงค์ไทยนะแต่เขาก็แต่งตัวแบบญี่ปุ่นนะนี แล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยนะถ้าเดินไปอย่างนี้แล้วจะเป็นพระโสดาวันให้เดินไปอย่างเงี้ยแต่เขามีอาจจะมีลัทธิข้างในลึกๆของเข า, ข า, ขาอี ก, ก น, นะแต่ว่าถือการเดินเนี่ยเดินแล้วจะบรรลุเองจะบริสุทธิ์ก็ถือหลายอย่างต่างประการมันไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้ายังมีอุปาทานขันห่านะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีทิฐิเพราะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งทิฐิหลักการทั้งหลายแหล่ที่เกิดในโลกทั้งหมดเกิดจากขันห้า เป็นวิชาที่วิชาจริงวิชาปลอมไม่รู้ละ่ะเพื่อจะอธิบายขันห้าทั้งหมดนะวิชาในโลกอ่านเจหนังสือทุกเล่มอธิบายขันห้าหมดชี่แน่เรื่องขันห้าหมดแต่ว่าไม่มีในบรรดาคําสอนทั่ ว, ว, วไปไม่มีที่ต้องการให้ออกจากขันห้าแต่ต้องการขันห้าที่มันอมะตะที่มันดีกว่าเราพอที่จะพยายามก่อนหมายตามว่า อ ย, อย่างได้เลยไหมว่าผู้นี้มีสักการะที่ถีมีวิจิตรคตาในในสองข้อควาต้นแน่นอนกับถ้าศีลพัต์ปรามาแล้วมันก็นั่งหยากมากแล้ ว, ก, าา ก, ลวก็เป็นผลของสักการะที่ถีนั่นแหละกบไปอินเดียครั้งที่แล้วเนี่ยได้ประโยชน์เข้าใจเรื่องไอ้ศีลพัต์ปรามาเนี่ยมากขึ้น ก็โดยที่สุดแม้กระทั่งฝุ่นมันเป็นที่ตั้งของทิฏฐิหมดที่ดินแดนอินเดียเนี่ยนะมันเป็นแดนลัทธิจริงๆเนี่ยนะลัทธิไม่รู้กี่กี่กี่ร้อยกี่พันไม่รู้นะลัทธิมากจริงๆนี่เลยแต่ก็มีคนไทยนะบางกลุ่มที่ไปไปเพื่อจะไปเอาลัฐที่เหล่านั้นนั่นก็มีอันนที่ผิดๆ่ะนะไปเอาที่ถูกไม่เป็นไรคือไปเอาพระไต่ายปิฎกไม่มีปัญหาแต่พระไต่ปิฎกไม่ต้องไปแสวงหาที่อินเดียแล้วตอนนี้ <link video> แต่ก็มีไปเอาข้อปฏิบัติแบบอินเดียมาเนี่ยในยุคนี้ก็พอมีไปเอามาทุกเรื่องเลยนะเรียกว่าหาหน้าศาสด า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาไปเรื่อยนะหาศาสดาไปเรื่อยๆตอนนี้มีที่ลงแล้วมั้งมีพระระตนาตรายเอะก็เรียกว่าจริงๆนะปุตตชนเนี่ยแงหน้าดูศาสดาบ่อยๆจริงๆแงดูคนนั้นทีคนนี้ว่ายังไงอ้าวไม่พอใจไปเอาหาคนใหม่ต่อ คือทาคําสอนก็ว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าสัตว์โลกเนี่ยนะมีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดียินดีในความเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นปกตินะก็ถ้าไม่ติดเรื่องหนึ่งก็ไปติดอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่ติดเรื่องลัทธิศาสนาก็ไปติดวัตถุกรรมแล้วไม่ติดกรรมก็ไปติดกีฬาไม่ติดกีฬามันมีที่ติดจนได้ไม่มีอะไรมันติดสองนกก็มีเนี่ยนะ ติมีที่ติดจนได้นะนี่คือปกติของสัตว์โลกไม่ติดอย่างหนึ่งก็ติดอย่างหนึ่งไม่คล้องอย่างหนึ่งก็แว่อีกอย่างหนึ่งแหละมีที่คล้องมีที่ติดจนได้คนที่ไม่ติดไม่คล่องเหมือนที่ในคําสอนที่บอกว่าอดอกบัวเนี่ยนะเกิดในน้ําเจริญในน้ําอาศัยน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงขึ้นแต่ก็ไม่เปื้อนด้วยน้ําฉันใดพระพุทธเจ้าเกิดในโลกแต่ก็ไม่ไม่ติดในโลกฉันนั้นทีนี้แต่สัตว์อื่นๆนี่ไม่เป็นอย่างนั้นมันตระกูลเห็ุ สัตว์ไม่ใช่แบบดอกบัวนะแต่มันเหมือนเห็ดนะทั่วๆไปนะเกิดในโลกแล้วจะต้องแบกโลกต่อไปแล้วแต่จะต้องแบกให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นก็สรรหาต้องการโลกแบกโลกก็คล้องในโลกแล้วก็จมอยู่ในโลกนะนะเนี่ยนะเป็นประเภทที่เพราะโลกสร้างโลกตลอดเวลาอย่างในยุคนี้ใครที่สามารถ กอบโกยโลกได้เท่าไหร่นะคนก็ยกย่องมากเท่านั้นเรียกว่ารวบรวมโลกนะให้มาอยู่ที่เราได้มากเท่าไหร่คนก็ยกย่องมากเท่านั้นคนเนี้ยเก่งมากฐานะที่ว่าหาโลกได้เก่งศิลพะตะปรามาตเนี่ยนิยามก็คือเป็นข้อปฏิบัตินอกาศาสนาเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจอะไรเลยเนี่ยนะ ข้อปฏิบัติเหล่านั้นนั้นเนี่ยที่ไม่ได้เป็นไปเป็นปัจจัยต่อการรู้อริยสัจอะข้อปฏิบัติเหล่านั้นนั่นแหละเป็นศีลพัฒนาปรามาตที่ขอให้เป็นข้อปฏิบัติอะไรก็ช่างเถอะถ้าไม่เป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจอันนะเพราะนิยามคือนอกาศาสนาเนี่ยนะคือคอือในาศาสนาของเราคือเน้นไปเพื่อการตรัสรู้อริยสัจนั้นข้อปฏิบัติเหล่าใดที่ไม่ได้เป็นปัจจัยหรือ อุปนิสัยแก่การตรัสรู้อริยสัจข้อปฏิบัติทั้งมวล น, นั้นล้วนเป็นศีลพัฒนาปรามาสเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอกุศลอย่างเดียวเป็นกุศลก็มีเนี่ยนะโอปาทานเป็นปัจจัยแก่พบทั้งที่เป็นกามาพบรูปประพ บ, อ, พบอรูปประพบเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านั้นนี่นนศีลพัฒนาปรามาสเนี่ยอมความไปถึงแม้กระทั่งพวกที่ปฏิบัติเพื่ออาศัยสัจก็เป็นศีลพัฒนาปรามาสเหมือนกันนะก็ มิจฉาทิฏฐินี่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นปัจจัยแก่สุคติเป็นแต่ว่าบางอย่างนะไม่ใช่ทิฐิที่เวน้นอุเฉท ท, ทิฐิที่เป็นอากกิริยะทิฐินัติกะทิฏฐิเสียเราทิฏฐิทั่วๆไปก็เป็นปัจจัยแก่สวรรค์เหมือนกันเนี่ยนะสำนวนว่าสกายทิฐิไม่ได้ห้ามสวรรค์แต่ห้ามนิพพานเนี่ยนะคือห้ามแทงตลอดอริยมรรคเ น, นี่ยนะ เพราะว่าผู้ที่มีทิฐิเหล่านี้ก็ทําบุญอยู่ก็มีปริพาชกอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอุติยะปริพาชกเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ปราศัยกันเนี่ยนะตามธรรมเนียมของการเข้าไปพบปะเจอเจอกันเนี่ยแต่ก็ถามมาท่านพระโคดมผู้เจริญเนี่ยโลกเที่ยงหรือสิ่งนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าหรือมา ง, งั้นพระพุทธเจ้าก็บอกเราไม่พยากรณ์ คือถ้าคําถามใดที่อยู่บนหลักการของสกายทิถิพระพุทธเจ้าจะไม่พยากรณ์จะไม่ตอบเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นเขาถือว่าอัตตาเนี่ยมีชีวะมีแล้วชีวะนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเที่ยงพระองค์ก็ไม่ตอบหรือไม่เที่ยงพระองค์ก็ไม่ตอบหรือว่าก็คำถามลักษณะนี้พระองค์ไม่ตอบทั้งนั้นเขบอกว่าเราไม่พยากรณ์นะนะทั้งสรุปว่าทั้งทิถิทั้ง10บข้อนี่นะพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ คือพยากรณ์เนี่ยแปลว่าไม่ตอบเนี่ยนะว่าเช่นโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงอะไรนีะก็ไม่ตอบก็อย่างที่กล่าวนะว่าเมื่อเมื่อคืนเนี่ยฝันฝันว่าได้ทองเออทองนั้นมันราคาเท่าไหร่อ่ะนะทองในความฝันยังไงโอ้ยไปคุยต่อไม่ได้แล้วคุยต่อแล้วเพี้ยนใหญ่เลยนะอยู่บนโลกของความฝันโลกของความเพ้ออะไรก็คือคือมันไม่จริงอ่ะนะ อย่างที่ถามเรื่อยๆว่าเออเนี่ยแก้วเออเนี่ย แ, แก้วนี่ยนะมันเป็นสัตว์นะลองเดาทายกันดูซิว่าแก้วเนี่ยมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายตอบไหมควรผู้การจะตอบไหมเออเนี่ยแก้วนี่มันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือผู้การไม่รู้จึงไม่ตอบเอาเ <laughs> นี่ยลักษณะเดียวกันอนะพระพุทธเจ้าว่าลักษณะเดียวกันบอกเราไม่พยากรณ์เหมือนกันเถอะ หรือว่าไม่เนี่ยเออมอเตอร์ไซค์เนี่ยนางเ ป, น ป, นป็นเนี่ยนะถามว่ามอเตอร์ไซค์นี่มันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายพอจะหาคู่ให้มันได้หรือยังเนี่ยนะข้าคายเมียปรึกษาแบบพเพศเนี่ยนะก็ส่งนิดส่งนั่นนะส่งสวนปรุงหรือส่งที่ไหนก็ได้สักแห่งหนึ่งทีนี้ก็ถามว่าอา้าวถ้าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคโดมผู้เจริญจะพยากรทางไหนนะ ที่ถามมาเอาสัตว์เมื่อตายแล้วเกิดอีกก็มีหรือว่าไม่เกิดอีกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบสักอย่างแล้วเนี่ยแล้วพระองค์เนี่ยจะตอบทางไหนพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอุตยะเราย่อมสแสดงธรรมะแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะนี่นะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งอันนี้คือสิ่งที่พระองค์พยากรณ์ใช่ไหมอย่างสติปัญญาเ น, นี่พระองค์สแสดงพระบัญญัติ คือเพราะว่าเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง<ม>เป็นไปเพื่อความหมดจดแห่งกิเลสทั้งหลายเป็นไปเพื่อก้าวล่วงทุกทั้งหลายเนี่ยพระองค์จะสอนสิ่งเหล่านี้ทีนี้อุตยะปริภาชคก็เลยคิดต่อไปว่า ด้วยข้อที่พระโคโดมได้แสดงธรรมะแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกกะปริเทวะเพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อบรุญญายธรรมเพื่อทําระนิพพานให้แจง้งโลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่งหรือสมส่วนจะออกจากทุกข์ได้คือคําถามก็ว่าถ้างั้นก็โลกทั้งหมดเนี่ยบรรลุหมดเลยหรือว่าครึ่งหนึ่งบรรลุ หรือว่าหนึ่งในสามบรรลุหมดเลยเมื่ออุตยะปริพาชกกราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนิ่งคือแหมเขาก็ยกมาเขาเขาอยู่บนหลักการของสัตว์ใช่ไหมอยู่บนหลักการอัตราตลอดว่าจะตอบในแง่ไหนเขาก็ไม่เลิกไอ้รัตที่อัตราหรือรัตที่สัตตูปรัติเนี่ยนะศัตรูปรัตทของเขาเขาละไม่ได้พอเขาละไม่ได้พระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยสอนเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อพระนิพย์เป็นต้นเนี่ย เสร็จแล้วบอกบรรลุทั้งหมดเลยหรือถึงไงหรือว่าบรรลุหนึ่งในสามหรือว่าบรรลุครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะพระเจ้าก็รู้ว่าตอบไม่ได้แล้วนะองค์ก็นิ่งลําดับนั้นท่านท่านอ น, นได้มีความคิดว่าอุตยะปริภาชคเนี่ยอยาได้ทิฐิอันลามมกอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมถูกเราถามปัญหาเฉพาะหน้าทั้งปวงย่อมเลี่ยงไม่ทรงวิสัชนาหรือวิสัชนาไม่ได้แน่นอนาอานนท์ก็รู้ว่านี่ถ้าถ้าถ้ า, ถาท่านไม่พูดอะไรต่อไปนะเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้านี้ นั่ไม่แน่จริงนะเนี่เพราะที่ที่อันลา ม, มกนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแก่อุติยะปริภาชก <c oughs> ในอัตถคถาที่บายว่าที่พระพุทธเจ้านิ่งนะนะบทว่าตุณีฮิอโหสิความว่าอุติยะปริภาชกตั้งอยู่ในสัตตูปรลั ธ, ธิคือลัตทิว่าเป็นศักด์หรือเป็นอัตานะนะั่นแหละจึงได้ถามข้อที่ไม่ควรถามเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงนิ่งนะเ ลำดับนั้นท่านท่านนได้กล่าวกับอุติยะปริภาชกว่าดูก่อนอวุโสอุตยะถ้าเช่นนั้นเราจะาอุปมาแก่ท่านวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้อัฏฐแห่งพาสิทธิ์ได้ด้วยอุปมาเนี่ยนะดูก่อนอุติยะเปรียบเหมือนนครอันตั้งอยู่ชายแดนของพระราชาพระนครนั้นมีป้อมมั่นคงมีประตูมีกำแพงเนี่ยนะมั่นคงมีประตูเดียวนายประตูในนครนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญา ห้ามคนที่ไม่รู้จักเข้าไปให้คนที่รู้จักเข้าไปเขาเดินเรียบไปตามทางเนี่ยนะเรียบตามกำแพงรอบโดยรอบแ่งนครนั้นไม่พึงเห็นที่ต่อแห่งกำแพงหรือช่องแห่งกำแพงแม้โดยที่สุดพอแมวเนี่ยออกได้และเขาย่อมไม่มีความรู้อย่างนี้ว่าสัตว์มีประมาณเท่านี้เข้ามาสู่นครนี้หรือออกไปโดยที่แท้เขาย่อม มีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าสัตว์ตัวใหญ่ๆบางเหล่าย่อมเข้ามาสู่พระนครนี้หรือย่อมออกไปสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ามาหรือออกไปทางประตูนี้ฉันใดนะคือจะมีใครบ้างเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์เท่านี้เข้าเมืองสัตว์เท่านี้ออกเมืองเนี่ยจะมีใครรู้หมดขนาดนั้นไหมว่าโดยทั่วๆไปเนี่เพราะสัตว์เล็กๆเช่นมแมลงเนี่ยนะไม่รู้มันบินเข้าทีลกี่ฟูงก็ไม่รู้นะ พวกนายประตูผู้ฉลาดก็ไม่ได้ไปคิดว่ า, มาแมลงมันบินเข้ามากี่ฟูงมันออกไปกี่ฟูงก็ไม่ได้หน้าที่ของยามเนี่ยไม่ได้ไปไปตรวจตราอะไรในเรื่องนั้นแต่รู้ว่าถ้าเป็นสิ่งใหญ่ๆนะถ้าจะเข้าจะออกต้องเข้าออกทางประตูนี้เข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่เนี่ยเขาจะรู้แต่ถ้าถึงขนาดไล่ไปสัตว์เล็กๆเนี่ยวันนี้เพลียเนี่ยบินผ่านมากี่ตัวนี่นะมอดบินผ่านมากี่ฟูงมาเลยหรื อ, อปลวกเนี่ยมัน ไต่ผ่านมากี่เจ้าแล้วไงี้เขาไม่ได้ไปคิดอะไรขนาดนั้นหรอก